พระไตรปิฎกสบับประชาชนพระไตรปิฎกเล่มที่8ชื่อปริวารเป็นวินัยปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่แปดนี้เป็นเล่มสุดท้ายของวินัยปิฎกและมีข้อความที่พึงนํามาย่อไว้เพียงเล็กน้อยเพราะข้อความในเล่มนี้เป็นการย้อนไปกล่าวถึงพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่เจดที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเป็นแต่การย้อนกล่าวในครั้งนี้ เท่ากับประมวลความสำคัญที่น่ารู้ต่างๆมากล่าวไว้มีหัวข้อใหญ่อยู่21ข้อด้วยกันคือ 1. มหาวิพังโสรสะมหาวาระเป็นการย้อนกล่าวถึงศีลของภิกษุ227ข้อทีละข้ออันปรากฏในวินัยปิดกเล่มที่1และสองซึ่งมีชื่อว่ามหาวิพังโดยตั้งประเด็นไว้สองส่วนส่วนละ8ประเด็น รวมเป็น16ประเด็นหรือโสรสมหาวาระส่วนแรกกับส่วนหลังความจริงก็พ้องกันทั้ง8ประเด็นเป็นแต่ว่าส่วนแรกพิจารณาถึงการทำผิดโดยตรงส่วนหลังพิจารณาถึงผลอันเนื่องมาจากเหตุคือการทำความผิดหรือกล่าวตามสัพที่ปรากฏก็คือส่วนหลังพิจารณาถึงปัจจัยคือการทำความผิดนั้นๆ เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุให้เกิดอะไรขึ้นประเด็นแปประเด็นซึ่งมีอยู่ในสองส่วนนั้นคือ 1. กัทธปัญญติวาระประเด็นที่ว่าบัญญัตไว้ณนะที่ไหนหมายถึงสถานที่ซึ่งทรงบัญญัตสิกขาบทรวมทั้งบุคคลผู้เป็นต้นเหตุให้บัญญัตสิกขาบทเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นต้น 2. ตาปฏิวาระประเด็นที่ว่าเมื่อทำความผิดนั้นๆลงไปแล้วจะต้องอาบัตอะไรบ้างเช่นภิกษุลักทรัพ์ในกรณีเช่นไรต้องอาบัตปาราชิกอาบัตตุลัดใจและอาบัตทุกกด 3. วิปัติวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆจะเป็นศีลวิบัติความบวกคร่องทางศีล หรืออาจารวิบัติความบกพร่องทางความประพฤติเป็นต้น 4. สังคหิตวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆสงเคราะห์หรือจัดเข้ากับกองอาบัติอะไร 5. สมุทฐานวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นเกิดขึ้นหรือมีสมุทฐานทางกายวาจาหรือใจ 6. อธิกรณวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆเป็นอธิกรณประเภทไหนในสี่ประเภท 7. สมถวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดที่เป็นอธิกรณนั้นๆจะระ ง, งับด้วยวิธีระ ง, งับเจ็ดอย่างข้อไหนบ้าง 8. สมุจจะยะวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆ เมื่อรวมกล่าวตั้งแต่ประเด็นที่1ถึง7จะได้ความว่าอย่างไรบ้างคือกล่าวซ้ำเจข้อแรกอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่สองอีก8ประเด็นก็ทำนองเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนหลักการเล็กน้อยว่าเพราะปัจจัยแห่งการทำความผิดนั้นจะมีผลเป็นอย่างไรบ้างพิกุณีวิพังโสลสะมหาวาระ เป็นการย้อนกล่าวถึงศีลของนางภิกษุณีแต่ละข้ออันปรากฏในวินัยปิฎกเล่มที่สซึ่งมีชื่อว่าภิกษุณีวิพังโดยตั้งประเด็นไว้เป็นสองส่วนส่วนละ8ประเด็นเช่นเดียวกับของภิกษุสมุดฐานะศีรษะสังเขปเป็นการรวบรวมสิกขาบททั้งหมดมากล่าวเฉพาะเรื่องสมุดฐาน คือทางกายทางวาจาหรือทางจิตโดยจัดเป็นหมวดหมู่ว่าพวกใดบ้างเกิดจากสมุทฐานหนึ่งหรือสมุทฐานสองหรือสมุทฐานสามหรือสมุทฐานผสมอื่นๆในสามข้อนั้นกติปุจฉวะเป็นการตั้งคำถามว่าเรื่องนั้นๆมีเท่าไหร่เช่นอาบัตมีเท่าไหร่ แล้วตอบเป็นประเด็นประเด็นไปเป็นต้นวีสติวาระแปลตามศัพท์ว่า20บวาระถอดความว่าตั้งประเด็นในการวินิจฉัยไว้20ประเด็นเป็นการตั้งคำถามแล้วตอบในเรื่องเกี่ยวกับอาบัตที่เกิดแห่งอาบัตอธิกรณวิธีระงับอธิกรณเป็นต้นรวม20ประเด็น คันธกะปุจชาคำถามคำตอบเกี่ยวกับคันธกะคือหมวดต่างๆในพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ถึงเล่มที่เจคือทั้งมหาวัคและจุลวัครวมทั้งสิ้น22หมวดหรือ22คันธกะว่าในแต่ละหมวดนั้นๆกล่าวถึงอาบัตไว้กี่ประเภทเอกุตตาริกะ เป็นการชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยด้วยตัวเลขคือหมวดหนึ่งมีอะไรบ้างที่เป็นข้อเดียวหมวดสองมีอะไรบ้างที่เป็นสองข้อหมวดสามมีอะไรบ้างที่เป็นสามข้อดังนี้เรื่อยไปจนถึงหมวดสิบเอ็ดมีอะไรบ้างที่เป็นสิบเอ็ดข้อเช่นอุโบสถสองคือสิบสี่ข้ากับสิบห้าข้าปวารณาสองคือสิบสี่ข้ากับ15คหาเป็นต้น กรรมสองคืออัภโลกนกรรมหมายถึงการบอกกล่ายติกรรมหมายถึงการเสนอยติเหล่านี้เป็นต้นก็อยู่ในหมวดสองรองเท้าส1อดชนิดที่เป็นของไม่ควรมีอะไรบ้างบุคคล11อประเภทไม่ควรไหวมีอะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นก็อยู่ในหมวด11ปอุปผสถาธิปุจรชาวิสัชนา คำถามคำตอบเรื่องอุโบสถเป็นต้นเช่นถามว่าอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดแห่งการทำอุโบสถแล้วตอบว่าความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการกระทาเป็นท่ามกลางและการจบเป็นที่สุดแห่งการทำอุโบสถถามว่าอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดแห่งการบวชตอบว่าบุคคลเป็นเบื้องต้นการเสนอยติ หรือขอทาบทามสง์เป็นท่ามกลางกรรมวาจาการสวดประกาศขอความตกลงใจหรือขออนุมัติสง์เป็นที่สุดอัตถวะเสปกรกล่าวถึงการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อประโยชน์สิบประการคือ 1. เพื่อความดีงามแห่งสงสง์ 2. เพื่อความหาสุขแห่งสงฆ์ 3. เพื่อข่มคนที่เก้ยากคือหน้าด้าน 4. เพื่ออยู่สบายของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 5. เพื่อป้องกันอาสวะปัจจุบันอาสวะคือกิเลส ท, ที่หมักหมมในใจ 6. เพื่อป้องกันอาสวะในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส แเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นของผู้เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตยธรรม 10. เพื่ออนุเคราะห์พระวินัยคาถาสังฆนิกะหมวดหรือชุมนุมแห่งคาถาคือคำฉันที่แสดงคำถามคำตอบของพระอาจารย์ผู้สังคยนาพระวินัยว่าสิกขาบทเท่าไหร่ ที่ยกขึ้นสวดปาติโมกและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ในกี่นครมีนคร อ, อะไรบ้างและในคนครไหนบัญญัติไว้กี่สิกขาบทสำหรับคำประพันธ์นี้มีประโยชน์ช่วยความจำได้ดียิ่งทั้งส่วนวินัยของภิกษุและภิกษุณีอาธิการณะเพศว่าด้วยประเภทแห่งอาธิกร การรื้อฟื้นอธิกรณ์มูลแห่งอธิกรณ์อาบัติที่เนื่องในอธิกรณ์ทั้งสี่ประเภทวิธีระ ง, งับอธิกรณ์ซึ่งเคยกล่าวมาแล้วทั้งสิ้นเป็นแต่นํามาจัดเป็นหมวดหมู่ขึ้นใหม่อปราคาถาสังฆนิกะหมวดหรือชุมนุมคาถาหรือบทประพันธ์อื่นอีกเป็นการประพันธ์คําอธิบายเป็นคําฉันเพื่อช่วยความจํา เกี่ยวกับการโจดฟ้องการถามให้ระลึกเป็นต้นรวมทั้งลนะักษณะที่จะนับว่าเป็นอ阿拉ชีโจทนากันว่าด้วยวิธีโจดฟ้องว่าจะทําอย่างไรภิกษุผู้โจดผู้ถูกโจดและสงจะควรทําอย่างไรจุลสงครามว่าด้วยข้อปฏิบัติของภิกษุผู้ถูกฟ้อง เท่ากับเป็นผู้เข้าสู่สงครามควรเจียมตนปฏิบัติตนอย่างไรตลอดถึงการฟ้องการวินิจฉัยมหาสงครามว่าด้วยข้อปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ควรรู้อื่นอีกของภิกษุผู้ถูกฟ้องซึ่งเท่ากับเป็นผู้เข้าสู่สงครามมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าที่กล่าวแล้วในข้อ14ี่ กรถินเพศประเภทแห่งกะถินใครกรานไม่ได้ใครกรานได้กะถินไม่เป็นอันกรานอย่างไรเป็นอันกรานอย่างไรรวมทั้งหัวข้อควรจำต่างๆเกี่ยวกับกะถินความจริงกล่าวไว้แล้วในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเล่มสี่แต่นำมาตั้งเป็นหมวดเป็นหมู่ให้จำง่ายอีกอุปาลีปันจกะ ว่าด้วยคํากราบทูลถามของพระอุบาลรีพระดำรัสตอบของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นข้อกำหนดหข้อตลอดรวมทั้งสิ้น14หมวดหรือ14วรคคือหมวดหนึ่งว่าด้วยภิกษุที่ไม่ควรให้นิสัยคือไม่ควรรับไว้ในปกครองหมวดสองว่าด้วยภิกษุที่ถูกลงโทษแล้วไม่ควรระงับการลงโทษหมวดสาม ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่ควรว่าคดีในสงฆ์หมวด4ว่าด้วยทิฏฐาวิกรรมคือว่าด้วยการแสดงความเห็นแย้งอย่างไรไม่เป็นธรรมอย่างไรเป็นธรรมหมวดที่หว่าด้วยภิกษุผู้โจ์ฟ้องภิกษุอื่นหมวดที่6ว่าด้วยการประพฤติทุดงสิบาข้อสำหรับการทุดดงเพื่อขัดเกลากิเลสมีการอยู่ป่าเป็นต้น หมวดที่7ว่าด้วยการพูดปดหมวดที่8ว่าด้วยการให้โอวาดแก่นางภิกษุณีหมวดที่9าว่าด้วยอุปพาหิกาคือการมอบหมายให้แยกออกไปทําการแทนสงหรือการตั้งผู้แทนสงไปวินิจฉัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเมื่อที่ประชุมใหญ่ไม่สามารถวินิจฉัยได้และมีเสียงอื้ออึงเป็นต้นเทียบด้วยการตั้งกรรมธิการหรืออนุ ก, กรรมการ ภิกษุผู้ควรได้รับมอบหมายงานนี้ควรประกอบด้วยคุณสมบัติ5อย่างมีอะไรบ้างหมวดที่สิบว่าด้วยการระงับอธิกรณ์หมวดที่ส1บอว่าด้วยสงแต่กันตอนที่หนึ่งหมวดที่ส2องว่าด้วยสงแต่กันตอนที่สองหมวดที่ส3าว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเจ้าถิ่นหรือประจำอยู่ในวัดหมวดที่สิบสี่ ว่าด้วยการกรานกฐินสมุดฐานว่าด้วยสมุดฐานแห่งอาบัติและการออกจากอาบัติธุติยะคาถาสังฆานิกะหมวดหรือชุมนุมคาถาหรือคำฉันท์ที่สองเป็นการประพันธ์หัวข้อและคำอธิบายเกี่ยวกับพระวินัยเพื่อจำง่ายอีกหลายประเด็นยาวกว่าที่เคยมีมาแล้วในตอนต้น ความจริงน่าจะเรียกว่าตอนสามเราะข้างต้นมีสองตอนอยู่แล้วแต่อาจจะถือว่าสองตอนแรกรวมเป็นหนึ่งตอนก็ได้เสถะโมจะนาคาถาคาถาเหงื่อแตกคือคำพระพันธ์ตั้งปัญหาวินัยให้คิดชนิดยากๆแบบกลเนนอดเพลนคือคิดไม่ออกจนอดข้าวกลางวันรวมส3สาข้อและไม่ได้เฉลยไว้ ซึ่งคำอธิบายมีอยู่ในอัธกถาปัญจวัคว่าด้วยเรื่องต่างๆ่งงรวมห้าหมวดหรือหวัคคือวัคที่หนึ่งว่าด้วยกรรมคือการทำกรรมของสงชนิดต่างๆวัคที่สองว่าด้วยความมุ่งหมายในการบัญญัติสิกขาบทวัคที่สว่าด้วยการบัญญัติให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในทางพระวินยัย วักที่สี่ว่าด้วยสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรวักที่หว่าด้วยการส่งเคราะห์หรือการรวมเรื่องต่างๆรวมก้าประเภทได้กล่าวไว้แล้วว่าพระไตรปิฎกเล่ม8ดอันมีชื่อว่าปริวาระนั้นไม่มีอะไรใหม่ เป็นแต่นำเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดนั่นเองมากล่าวใหม่โดยจัดหมวดหมู่หรือตั้งประเด็นต่างๆรวมทั้งให้จำง่ายเข้าใจง่ายในที่นี้จึงไม่ได้ขยายความให้พิสดารอย่างเล่มอื่นๆคงย่อรวบรัดพอให้เห็นหมวดหมู่และหน้าตาของพระไตรปิฎกเล่มนี้